มาชําระใจให้สะอาดบริสุดด้วยการถวายทานตักบาตรถวายเจตุปัสยใจเทยทานต่างๆด้วยการรักษาศีลละเล่นจากการทําบาปต่างๆและด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อชําระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธด พอความสะอาดของกายวาจาใจการไม่ทำบาปการทำบุญเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความสุขและความเจริญนั่นเองไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทำสร้างความสุขสร้างความเจริญให้แก่ชีวิตจิตใจของพวกเราได้นอกจากการปฏิบัติ ตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งสามข้อนี้คือทาบุญละ บ, บาปชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์อย่าไปหลงกับความเจริญทางด้านวัตถุทางด้านลาบยศสรรเสริญทางด้านความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายเพราะความเจริญเหล่านี้เป็นภาพลวงเป็นภาพหลอก ไม่ใช่เป็นภาพจริงเพราะความเจริญของลาบยศสรรเสริญและสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายนี้มีความเสือ่อมตามมาเป็นธรรมดาจึงเป็นเหมือนฟองน้ำฟองน้ำที่ตั้งก่อตัวขึ้นมาแล้วไม่นานฟองน้ำนั้นก็จะแตกไปหายไปลาบยศสรรเสริญสุข ความเจริญทางลาบยศเสริญสูงสุขนี้ก็เป็นเหมือนการก่อตัวของฟองน้ำแล้วพอฟองน้ำน้นแตกไปลาบยศเสริญสุขก็จะเสื่อมหมดไปดังนั้นการเจริญทางลาบยศเสริญสุขการเจริญทางวัตถุนั้นไม่ได้เป็นการเจริญที่แท้จริงอย่าไปหลงประเด็น อย่าไปลงคิดว่าความเจริญเหล่านี้เป็นความเจริญความเจริญนั้นต้องเจริญที่จิตใจของเราเพราะจิตใจของเรานี้เป็นสิ่งที่อยู่กับเราเป็นของเราและเป็นสิ่งที่ไม่เสือ่อมไม่ตายไม่ไม่สลายหมดไปเราพัฒนาจิตใจได้มากน้อยเพียงไร ความสุขความเจริญของจิตใจก็จะมีมากน้อยเพียงนั้นและจะอยู่กับเราไปไม่เสื่อมไปกับร่างกายที่ต้องมีวันสิ้นสุดลงไปถ้ามีการเกิดที่ไหนก็ต้องมีการตายที่นั่นร่างกายมีการเกิดร่างกายก็ต้องมีการตายเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของสิ่งต่างๆในโลกนี้ แต่ใจที่มาครอบคองร่างกายนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายดังนั้นใจต้องฉลาต้องอย่าไปหลงยึดติดไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราใจนี้ไม่ใช่เป็นร่างกายใจเป็นผู้รู้เป็นผู้คิดเป็นผู้มีความรู้สึกร่างกายนี้ไม่รู้อะไร ร่างกายเป็นวัตถุเป็นเหมือนกับรองเท้าเป็นเหมือนเสื้อผ้าไม่รู้เรื่องเสื้อผ้าจะขาดหรือไม่ขาดรองเท้าจะขาดหรือไม่ขาดเขาไม่เดือดร้อนเขาไม่รู้เรื่องขาดก็ขาดไปแต่ใจผู้ที่มาเป็นเจ้าของนี้ไม่ได้ขาดไปกับเสื้อผ้าไม่ได้ขาดไปกับรองเท้า ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายถ้าใจรู้ความจริงอันนี้ใจก็จะไม่วุ่นวายไปกับความเสื่อมของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้แต่เนื่องจากใจถูกอานาจของโมหะความหลงครอบงำจึงทำให้เห็นผิดเป็นชอบให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่ตนได้มานั้นเป็นของตน ให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่ได้มาจะให้ความสุขกับตนให้เห็นว่าจะสามารถรักษาสิ่งต่างๆให้อยู่กับตนไปได้ตลอดแต่ความจริงนั้นมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเขามาแล้วเขาก็ต้องไปเขาไม่อยู่คงเส้นคงวาเขามีการเปลี่ยนแปลงไป อยู่เรื่อยๆเช่นร่างกายของเรานี้มีการเปลี่ยนแปลงทุกวินาทีเลยถ้าเราถ่ายรูปของร่างกายเราในวันนี้แล้วอีกห้าปีข้างหน้าหรือ10ปีข้างหน้าเรามาเปรียบเทียบดูเราจะเห็นว่าร่างกายของเรากับของเราในวันนี้กับอีก10ปีข้างหน้านั้นมีความแตกต่างกัน หรือจะย้อนกลับไปดูร่างกายของเราตอนที่คลอดออกมาจากท้องแม่ใหม่ๆกับวันนี้เป็นอย่างไรเป็นเหมือนคนคนละคนกันเลยแต่ความจริงก็เป็นร่างกายอันเดียวกันแต่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเราถึงต้องมองให้ครบทุกส่วนถ้าเรามองวันเกิดเราก็ต้องมองวันตายด้วย เพื่อเราจะได้ฉลาด ก, การมองวันตายนี้ไม่ได้เป็นการสาบแช่งแต่เป็นการให้เราเห็นความจริงของร่างกายเพื่อเราจะได้ไม่หลงไปยึดติดกับร่างกายเพราะความยึดติดของร่างกายกับร่างกายนี้เป็นเหตุทำให้เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาํำเหตุทำให้เกิดความหวาดกลัววิตกกังวลว้าวุ่นขุ่นมัว เดือดร้อนไปกับเรื่องราวต่างๆเพราะว่าเราเรีนว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามไม่ว่าอะไรจะเจริญหรือจะเสื่อมก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องจบลงไปในวันหนึ่งคือในวันที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปวิตกกังวลไปวุ่นวายไปหวาดกลัวกับสิ่งต่างๆเลย เพราะว่าในที่สุดมันก็จะต้องหมดไปมันต้องเสื่อมหมดไปเหมือนกับฟองน้ำที่ในที่สุดมันก็ต้องแตกไปอย่าไปพยายามรักษาฟองน้ำให้เหนื่อยไปปป่าๆฟองน้ำนี่เราก็รู้ว่ามันบบกบางเพียงไรมันจะแตกไปได้ทุกเวลานาทีชีวิตของพวกเราก็เป็นเหมือนฟองน้ำ ร่างกายของเรานี้เป็นเหมือนฟองน้ำมันจะแตกไปเมื่อไรก็ไม่มีใครรู้แตกได้ทุกเวลาดังนั้นเราไม่ต้องไปยึดติดกับร่างกายอย่าไปยึดติดกับร่างกายเพราะร่างกายไม่ใช่เราเราไม่ได้แตกไปกับร่างกายเราได้ร่างกายมาจากพ่อจากแม่ขณะที่ตั้งอยู่ จเจริญเติบโตขึ้นในท้องแม่เราคือใจก็ไปจับจองเหมือนเวลาที่เราไปจับจองรถยนต์ที่เขาเริ่มผลิตในโรงงานเราต้องการรถยนต์ชนิดนี้เราก็ไปสั่งซื้อใบจองไว้เลยในขณะที่เขายังไม่ได้ผลิตรถยนต์ออกมาครบถ้วนบริบูรณ์เราก็ไปจองไว้แล้ว สันดายร่างกายที่เราได้มานี้เราก็ไปจองตั้งแต่ในขณะที่อยู่ในท้องแม่พอออกมาเราก็ใช้ร่างกายนี้มาเป็นเครื่องมือทาประโยชน์หรือทำโทษให้แก่จิตใจของเราทาประโยชน์ก็คือทําบุญนั่นเองทําโทษก็คือทําบาปเวลาทําประโยชน์ทําบุญ จิตใจก็มีความสุขจิตใจก็เป็นสวรรค์เวลาทําบาปจิตใจก็เป็นทุกข์เป็นนรกขึ้นมานี่คือความจริงของชีวิตจิตใจของเราที่พวกเราจะไม่ได้รู้จักเลยถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเพราะมีพระพุทธเจ้า เป็นเพียงพระองค์เดียวที่จะสามารถมองเห็นความจริงของชีวิตจิตใจของสัตโลกทั้งหลายได้ทรงเห็นว่าจิตใ จ, จนี่แลเป็นผู้ที่สร้างความสุขสร้างความทุกข์เป็นผู้ที่สร้างนารกเป็นผู้ที่สร้างสวรรค์ด้วยการกระทำ ด้วยการคิดเป็นจุดเริ่มต้นใจเป็นผู้คิดเมื่อคิดแล้วก็สั่งไปที่ร่างกายให้พูดให้ทำอย่างวันนี้ญาติโยมก็ใจของญาติโยมก็คิดไปในทางกุศลคิดไปในทางบุญคิดว่าวันนี้จะมาทำบุญมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศฟังธรรมนี่คือเป็นความคิดที่ดี เป็นความคิดของใจใจเป็นผู้สั่งให้คิดพอคิดแล้วก็สั่งให้ร่างกายทําตามคําสั่งให้ออกเดินทางมาจากบ้านเพื่อมาทําบุญให้ชวนญาติพี่น้องมาร่วมทําบุญกันพอมาแล้วได้มาทําแล้วใจก็เกิดความสุขขึ้นมาเกิดความสบายใจเย็นใจแต่การทําความดีนี้ เราไม่จำเป็นจะต้องมาวัดก็ได้เราสามารถทำได้ทุกแห่งทุกคนเวลาเรามีความเกี่ยวข้องกับผู้ใดผู้ ป, ปะผู้ใดถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีเราก็จะได้บุญคือได้ความสุขทันทีความสุขใจนี้ไม่จำเป็นจะต้องเกิดจากการทำบุญกับพระภิกษุสงฆ์อย่างเดียว ทำกับใครก็ได้ความสุขใจเหมือนกันถ้าทำด้วยจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ <c oughs> คือไม่ต้องการสิ่งตอบแทนจากผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจากเราทำบุญกับพระก็ได้ความสุขใจทำบุญกับคารวะญาติโยมก็ได้ความสุขใจทำบุญกับสุนัข ก, กับแมวก็ได้ความสุขใจ ทำบุญด้วยการปล่อยปลาก็ได้ความสุขใจเหมือนกันเพราะเราได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้ให้เขามีความสุขได้ให้ให้ได้ให้เขาได้หลุดพ้นจากความทุกข์บางส่วนไปการกระทาอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นการทำบุญแต่ทางโลกเรามักจะแยกเป็นสองคถ้าทำ อย่างนี้กับพระช่วยเหลือพระให้ข้าวให้ของให้เงินทองกับพระเราเรียกว่าทาบุญถ้าเราให้ข้าวให้ของให้เงินให้ทองกับคารวานญาติโยมเราเรียกว่าให้ทานแต่ความจริงมันเป็นการกระทาอันเดียวกันเหมือนกันและผลที่เกิดขึ้นก็เหมือนกันเช่นเดียวกันก็คือความสุขใจนี่คือ ใจเป็นผู้กระทำใจจะกระทำสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต่อเมื่อมีความรู้เรื่องของบุญเรื่องของบาปเรื่องของผลของการทำบุญและการทำบาปถ้าไม่รู้ <c oughs> ก็จะไม่ทำเพราะไม่รู้ว่าทำไปแล้วจะได้อะไรนั่นเองซึ่งมีใจของคนหลายคนด้วยกันที่ไม่รู้ว่า ทำบุญแล้วจะได้ความสุขทำบาปแล้วจะได้ความทุกข์ทำบุญแล้วจะได้สวรรค์ทำบุญแล้วทำบาปแล้วจะได้นรกก็เลยไม่สนใจเรื่องการทำบุญจะทำแต่สิ่งที่ตนเองชอบอยากจะทำซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไปทำบาปเพราะว่าการกระทำเพราะว่าจิตใจของสัตว์โลกที่มาเกิดในโลกนี้ มักจะมีความโลภความอยากได้สิ่งต่างๆและเวลายอยากได้แล้วก็จะพยายามหามาตามความสามารถของตนถ้าไม่สามารถหามาได้ด้วยความถูกต้องคือไม่ทำบาป ก, ก็จะหามาแต่ถ้าไม่สามารถหามาได้ด้วยความถูกต้อง ก็จะหามาด้วยไม่ด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องก็จะไปทำบาลดังที่เราได้ยินได้ฟังข่าวค่าวอยู่เสมอคนทำบาปทำกรรมกันเพราะเขาไม่รู้ว่าทำไปแล้วจะต้มีผลตามมาทั้งในปัจจุบันและในอนาคตเขาไม่รู้ว่าตายไปแล้วจะต้องไปต่อร่างกายนี้เป็นเพียงเครื่องมือของ ใจผู้เป็นผู้กระทำใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนี้ก็จะต้องไปตกนรกเพราะว่าการกระทำบาปนี้จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทันทีในปัจจุบันความทุกข์ใจนี้แลก็คือนรก <c oughs> แล้วก็จะสะสมไว้ในใจพอตายไป ความทุกข์ใจเหล่านี้ก็จะออกมาแสดงบทบาทอย่างเต็มที่ในขณะที่ยังมีร่างกายอยู่นี้นรกหรือสวรรค์ที่เกิดขึ้นในใจนี้มันจะปรากฏขึ้นไม่นานเพราะว่าใจเราจะทำอะไรสลับกันไปอยู่เรื่อย เวลาเราทำบาปใจก็ร้อนใจก็เป็นทุกข์เป็นนรกขึ้นมาพอไปทำบุญใจก็เย็นใจก็สุขใจก็เป็นสวรรค์ขึ้นมาในวันวันหนึ่งเราจึงทำหลายอย่างด้วยกันสลับกันไปเวลากโกรธเราก็จะทำบาปเวลาเราใจดีเราก็จะทำบุญนรกและสวรรค์ในในชีวิตประจำวันของเราจึง เกิดดับเกิดดับแต่มันไม่หายไปมันจะไปสะสมเข้าบัญชีนรกและบัญชีสวรรค์ต่อไปพอถึงเวลาที่ร่างกายนี้แตกดับไปแล้วบัญชีของนรกและบัญชีสวรรค์ก็จะมาต่อสู้กันถ้าบัญชีไหนมีกำลังมากกว่าบัญชีนั้นก็จะแสดงผลก่อน เช่นถ้าบัญชีบุญมีกำลังมากกว่าบัญชีบาบัญชีสวรรค์มีกำลังมากกว่าบัญชีนรกใจก็จะไปเป็นสวรรค์ก่อนเมื่อหมดหมดบุญหมดสวรรค์แล้วถึงค่อยกลับมารับผลของบาปต่อไปจนกว่าจะหมดบาปแล้วก็ค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มา สร้างบัญชีใหม่มาสร้างบัญชีบุญสร้างบัญชีบาปใหม่ดังนั้นเวลาที่เราตายไปนี้ขึ้นอยู่กับบัญชีสองอันนี้ว่าอันไหนจะมียอดสูงกว่ากันถ้าบัญชีบุญมียอดสูงกว่าก็ไปสวรรค์เลยแล้วก็ถ้าไม่มีไม่ได้ทําบาปเลยเวลาหมดบุญบนสวรรค์แล้วก็ไม่ต้อง กลับไปใช้กรรมใช้บาปในนรกก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เลยเช่นพระเวชสันดร น, นี้เป็นตัวอย่างในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านทำแต่บุญอย่างเดียวให้ทานอยู่เรื่อยๆไม่ว่าใครเดือดร้อนใครต้องการอะไรถ้าท่านช่วยเหลือได้ให้ได้ท่านก็จะให้ไปหมดเลยพอตายไป บัญชีบุญนี้ก็มีกำลังมากกว่าบัญชีบาปเพราะบัญชีบาปมันเป็นศูนย์ก็เลยไปเกิดบนสวรรค์พอหมดบุญจากชั้นสวรรค์ก็ไม่ต้องลงไปใช้บาปได้กลับมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเลยได้มาบำเพ็ญปฏิบัติทำจนได้บรรลุ เป็นพระอาหารตะสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปเพราะนอกจากได้ทำบุญละบาปแล้วในชาติสุดท้ายยังได้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการออกบวชปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าในเขาตัดกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงตัดความอยาก คือกามตัณหาความอยากในการภวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นวิภวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นจนหมดสิ้นไปจากจิตจากใจด้วยสมถะและวิปัสสนาภาวนาพอจิตใจสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็ไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไป ไม่ต้องไปทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายทุกข์กับการพลา ด, ดจากสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบจากคนที่เรารักคนที่เราชอบอีกต่อไปทุกข์ก็จะไม่มีกับผู้ไม่เกิดถ้าตราบใดยังมีการเกิดอยู่ไม่ว่าจะเกิดในภพใดก็ตาม ก็ยังจะต้องมีความทุกข์เป็นเทพนี่ก็มีความทุกข์เกิดเป็นเทพพอเสื่อมจากความเป็นเทพลงมาเป็นมนุษย์ก็จะเกิดความทุกข์แล้วเพราะสูญเสียความสุขในอันละเอียดต้องมาหาความสุขที่เป็นส่วนยาญด้วยการมามีร่างกายนี่คือเรื่องของจิตใจของพวกเรา ที่พวกเราจะไม่รู้กันเลยถ้าเราไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายร่างกายเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราเวลาร่างกายเป็นอะไรไปเช่นล้มตายจากกันไปเราก็ร้องหยงร้องไห้เศร้าเสกเสียใจเช่นเวลาคนที่เรารับ ตายจากเราไปร่างกายของเขาตายไปเราก็คิดว่าเขาตายไปด้วยแต่ความจริงเขาไม่ได้ตายเช่นเวลาผู้หญาตายายบิาดามารดาหรือคนที่เรารักตายไปนี้เขาตายเพียงแต่ร่างกายร่างกายของเขานี้เป็นเหมือนเสื้อผ้าของเขาเท่านั้นเองเขาเพียงไปเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่ร่างกายอันนี้ตายไปเขาก็ไปเปลี่ยนร่างกายอันใหม่ ขอไม่ได้ตายไปแต่อย่างไรนี่คือสิ่งที่จะทำให้เราไม่มีความทุกข์ใจเวลาที่เกิดการตายเกิดขึ้นมาเพราะเรารู้ว่าไม่มีใครตายนั่นเองปู่ย่าตายายไม่ได้ตายพ่อแม่ไม่ได้ตายญาติสนิทมิตรสหายไม่ได้ตายเพียงแต่ต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่และในขณะที่ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ต้องไปรับรางวัลหรือไป ไปใช้หนี้ขึ้นอยู่ว่าได้ทำอะไรไว้ถ้าสร้างหนี้คือทำบาป ก, ก็ต้องไปใช้หนี้ถ้าทำบุญก็ไปรับรางวัลเมื่อหมดแล้วหมดบุญหมดบาปแล้วค่อยกลับมาเกิดมาสร้างบุญสร้างบาปใหม่ถ้าเราไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะทำได้เพียงสองอย่างคือสร้างบุญและสร้างบาป ส่วนใหญ่เราก็มักจะสร้างบาปกันเพราะว่าการทำบาปนี้มันง่ายกว่าการทำบุญนั่นเองการทำบุญนี้ไม่ค่อยอยากจะทำกันเพราะมีแต่เสียไม่มีได้ไม่เหมือนการทำบาปการทำบาปนี้รู้สึกว่าได้อยากจะได้อะไรก็ประขโมยของข้าวของเขามาก็ได้แล้วแต่เวลาทำบุญนี้ต้องเสียของของตัวเองไป แต่ไม่รู้ถึงผลที่เกิดขึ้นจากการทำบุญและทำบาปว่าต่างกันเหมือนนรกกับสวรรค์นั่นเองทำบุญแล้วมีความสุขมีความเย็นมีความสบายทำบาปแล้วมีความทุกข์มีความวุ่นวายใจมีความเดือดร้อนทรมานใจดังนั้นเมื่อเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้ว สิ่งที่เราควรที่จะทำก็คือขอให้เราเชื่อว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นของคำสอนที่ตรงกับความจริงเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดนี้เป็นความจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้แต่งขึ้นมาเป็นนิยายให้พวกเราได้อ่านกันเป็นสิ่งที่เราพิสูจน์ได้ เป็นสันติโกสวากขาโตพระกัตตาธรรมโมสันติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกนี่คือพระคุณของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสวากขาโตคือเป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วชอบแปล ว, ว่าถูกต้องตามความจริงสันติโก เป็นคำสอนที่สามารถพิสูจน์ได้สงสอนว่าบุญมีจริงบาปมีจริงนรกนรกมีจริ ง, รงสวรรค์มีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงนี่เราพิสูจน์ได้จากการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนทั้งสามประการคือทาบุญละบาปและชำระใจให้สะอาดบริสุ์ เป็นอาการิโกคือเป็นธรรมคาสอนที่มีผลตามความจริงทุกยุคทุกสมัยไม่มีการเสื่อมหมดไปไม่ได้หมายความว่าคาสอนของพระพุทธเจ้ามีผลเพียงในขณะที่พระพุทธเจ้ามีพระชนชีพอยู่มีผลในสมัยพระพุทธกาล คนในสมัยพระพุทธการปฏิบัติแล้วได้รับผลแต่คนในสมัยปัจจุบันนี้ไม่ได้รับผลอย่างนี้ไม่มีเพราะว่าธรรมะคำสอนยังคงเส้นคงวามีประสิทธิภาพเหมือนเดิมทุกประการไม่ว่าจะเป็นในยุคใดสมัยใดถ้าผู้ปฏิบัติน้อมเอามาปฏิบัติโอปัญญาิโกรคือให้น้อมเอาคาสอนของพระพุทธเจ้า มาปฏิบัติกับกายวาจาใจของตนผลที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้รับในอดีตคือได้พบกับสวรรค์ได้พบกับนรกได้เห็นสวรรค์ได้เห็นนรกได้เห็นการเวียนว่ายตายเกิดได้เห็นการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดได้เห็นมรรคผล น, ผนิพพานความจริงเหล่านี้ผลเหล่านี้ ก็จะเป็นผลที่ผู้ปฏิบัติในยุคปัจจุบันนี้จะสามารถเห็นได้และได้รับผลเช่นเดียวกันทุกประการไม่มีความแตกต่างกันเลยอยู่ที่ผู้ปฏิบัติเท่านั้นว่าจะมีศรัทธาหรือไม่เมื่อมีศรัทธาแล้วจะมีวิริยะความอุตสาหะภาคเพียรที่จะปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนหรือไม่ สิ่งที่ทรงสอนให้ปฏิบัติก็คือให้เจริญสติให้มีสมาธิและให้มีปัญญาเพราะถ้ามีสติมีสมาธิและมีปัญญาแล้วก็จะทำบุญได้ละบาปได้ชาระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้สติสมาธิและปัญญานี้เป็นเครื่องมือที่เราต้องมีถ้าเราอยากจะ ทำบุญละบาปและชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ที่จะทำให้เรามีดวงตาเห็นธรรมเห็นสิ่งเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นโดยเห็นนารกเห็นสวรรค์เห็นบุญเห็นบาปเห็นการเวียนว่ายตายเกิดเห็นมรรคผลนิพพานเห็นตัวจิตเห็นตัวเราที่แท้จริงว่าไม่ใช่เป็นร่างกาย ร่างกายนี้เป็นเพียงเครื่องมือของจิตของใจเท่านั้นนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับถ้าเรามีศรัท ธ, ธามีความเชื่อแล้วมีวิริยะความอุตสาหะที่จะภาคเพียนปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือภาคเพียนในการเจริญสติภาคเพียนในการนั่งสมาธิ ภาคเพียรในการเจริญปัญญาถ้าทำอย่างนี้แล้วเราจะอยากจะทำบุญไม่อยากจะทำบาปอยากจะชำระใจของเราให้สะอาดบอยสุทเพราะเราจะเห็นผลในปัจจุบันนี้เลยไม่ต้องรอตายไปแล้วผลคือความสุขความไม่มีความทุกข์ภายในใจนี้จะมีขึ้นในชาตินี้ในปัจจุบันนี้เลย ไม่ต้องรอเวลาตายไปแล้วเราจะมีสวรรค์ทั้งวันทั้งคืนตลอดเวลาถ้าเราทำแต่ความดีอย่างเดียวทำแต่บุญอย่างเดียวไม่ทำบาถ้าเราชำระความโลภ ค, ความโกรธความหลงอยู่ตลอดเวลานับรองได้ว่าใจของเราจะมีแต่ความสุขมีแต่ความเย็นมีแต่สวรรค์อยู่ตลอดเวลา ทพรานี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากเหตุคือการกระทําของเรานั่นเองจึงขอให้เราจงมีความเชื่อมั่นในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าและขอให้พยายามภาคเพียนด้วยความเข้มแข็งอดทนด้วยความจริงใจไม่ย่อท้อไม่ย่อท้ไอทไม่ยอมแพ้สักวันหนึ่งผลอันเลิศอันประเสริฐ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 แควค่าปลอดภัยจากทุกไฟอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากรรมเธอ